สติปัญญาอัตโนมัติหมู่เพื่อนแอบจดจ้องย้อนมากล่าวถึงระยะที่ท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วยหลุงตาเล่าสภาวะจิตในระยะนั้น ให้พระเนรฟังดังนี้ตอนท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วยจิตเราก็เริ่มชุลมุลวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนเลยตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆจิตเราก็ไม่ว่างเลยท่านป่วยหนักเข้าเท่าไรเราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่าน เราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะนําตักเตือนให้เราเองก็หมุนติวต้วๆสิลงจากกุฏิท่านก็เข้าทางจงกรมไงพอออกจากทางจงกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่านนี่หมายถึงอยู่น้องผือออกจากกุฏิท่านก็เข้าทางจงกรมปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้ แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตามแต่เราคอยแนะคอยให้อุบายคอยอะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางจงกรมเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริงๆที่เรียกว่ามันเป็นของมันเองไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครแนะนำแหละหากเป็นในตัวของมันเอง ถึงวาระที่มันเป็นนี่ถ้าเราเรียกก็เรียกว่าภาวนามายปัญญาอย่างว่าเมื่อก้าวถึงขั้นภาวนามายปัญญาแล้วต้องหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวล่มเวลาไม่ได้ส่งออกนอก มิตะพันกันอยู่กับกิเลสอาสะวะประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นก่อนท่านอาจารย์มั่นจะมรณภาพเป็นระยะที่ท่านยังอยู่ระหว่างการออกวิเวกท่านอาจารย์มั่นได้เคยปรารถถามพระที่ขึ้นไปทำข้อวัดอุปถาคว่า ถ้าผมตายพวกท่านจะพึ่งใครสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์มั่นพูดขึ้นว่าเออให้พึ่งท่านมหานะมหาฉลาดทั้งภายนอกภายในนะด้วยเหตุนี้เองจึงมีพระเนนหมู่เพื่อนตางแอจดจ้องท่านอยู่เงียบๆและตั้งใจว่าเมื่อสิ้นท่านอาจารย์มั่นไปก็ยังมีความหวัง จะได้อาศัยท่านเป็นที่พึ่งที่แนะนําทางการภาวนาต่อไปได้ดังนั้นเมื่อเสร็จงานพิธีศพท่านอาจารย์มัน่นพระเนนหลายสิบรูปต่างคอยติดตามท่านอยู่ตลอดแม้ท่านจะพยายามลบลีกปลีกตัวหนีไปทางอื่นด้วยเพราะเป็นระยะที่ต้องการอยู่ลําพังคนเดียวแต่ก็มีหมู่เพื่อน คอยสืบรอยติดตามไปตลอดเวลาแทบจะทุกสถานที่เพราะเพิ่งขาดร่มโพร่มไ่ใหญ่คือท่านอาจารย์มั่นไปไม่นานนี้เลี๋ยวองค์นี้ตามมาสักเดี๋ยวองค์นั้นตามมาอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดในระยะนั้นท่านเล่าถึงเหตุการณ์ระยะนี้ว่า ระยะที่จะอยู่กับหมูเพื่อนไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริงๆเสียเวล่มเวลาใครมายุ่งไม่ได้นะคิดดูสิไปบินทบาทที่ไหนหมูบ้านใหญ่ๆไม่อยู่ไปหาอยู่บ้านห้าหกหลังคาเรือนบ้านใหญ่ไม่เอาถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหาโอ้ยบ้านนี้ไม่ได้เรื่องแน่นั้นเขาจะมายุ่งเรา จนหาเวลาภาวนาไม่ได้ไม่เอาหนีไปหาอยู่หมู่บ้านสามสี่หลังคาเรือนบินทบาทกับเขาพอมีชีวิตบำเพ็ญธรรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นไปบินทบาทก็ทำความเพียรตลอดยุ่งกับใครเมื่อไรทั้งไปทั้งกลับมีแต่เรื่องความเพียรเหมือนกับเดินจงกรมมันเป็นอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเอง เวลามันหมุนของมันเห็นชัดๆอยู่ในหัวใจว่าอยู่กับใครไม่ได้นี่มันก็รู้อยู่กับใจเราเองระยะหนึ่งมันบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องได้วิ่งหาครูหาอาจารย์ไม่งั้นจมแน่ๆมันรู้ชัดอยู่ก็ต้องได้เข้าหาครูหาอาจารย์ถึงวาระที่จะอยู่คนเดียวนี่จะอยู่กับใครไม่ได้แล้วมันก็รู้อี ใครติดตามไม่ได้นะโอยขโมยหนีจากพระจากเนนเหมือนขโมยขโมยใหญ่ๆนี่เลยโ น, น่นหัวโจรหัวโจกนั่นขโมยห น, นีกลางคืนกลางวันหมูเพื่อนจะเห็นถ้าพอไปกลางวันได้ก็ไปพอไปกลางคืนได้ก็ไปกลางคืนดึกดด่นไม่ว่านะหนีจากหมูเพื่อนมันไม่สบาย มันอยู่ไม่ได้ก็งานของเราเป็นอยู่อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไรอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วจะไปอ้าปากพูดกับคนนั้นอ้าปากพูดกับคนนี้ได้อย่างไรงานเต็มมืออยู่นี่นั่นถึงวาระมันเป็นในหัวใจรู้เอง